อบน้อมในพรราชันตาและก็ขอาการาบนมาสการหลวงพ่อผู้เป็นประธานแล้วก็ขอาการาบนมรสการหลวงพ่อและขณะสงฆ์ทุกทุกลูกและขอาการาบสบายดีเด้อเมีิในขาวและกัลายาณมิตรทุกผู้ทุกคนขอน้อยกาซื้อสมพรแทนทองคำ <c oughs> จ้า ในก่รับขอขอบใจหลวงพ่อพันไห้โอกาสได้มาเราประสบการณ์เนาะเรื่องการปฏิบัติธรรมก็บ่มีอย่างดอกเรื่องการปฏิบัติธรรมมันก็ง่ายง่ายคือหลวงพ่อพันพาเราเนี่ยแหละหง่ายง่ายเรื่องการปฏิบัติธรรม แต่ก่อนขน้อยก็คิดว่ายากยากเรื่องการปฏิบัติธรรมกับขน้อยนี่แหละเป็นผู้เว้าเองว่าบทันพร้อมมีผู้มาสักส่วนไปปฏิบัติธรรมกะว่าขน้อยยังบทพร้อมเธอยังเหตุล่าเหตุการ์ อ, อขน้อยก็เป็นผู้เว้าเองแก้เองตอบเองมีแต่เอ็กซ์คิทั้งนั้นแล้วก็แล้วกันเรื่องการปฏิบัติธรรมมีแต่ผู้สักสวนมีแต่หมู่ ผู้เพ่นเขาวัดขาว่าถามไปบนหันบนนี่ก็มีแต่บอกว่ายังบีพ้อมยังมีลูกยังมีครอบมีครัวก็คิดว่ามันยากเพราะว่าคิดเพราะว่าเขาเกิดได้ไงมาก็คิดแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมก็จะต้องไปอย่างใดล่ะก็ต้องทิมครอบทิมครัวทิมลูกทิมผัวเอ่อยังซนซะคิดว่ามันมันยากยังสนทนาขันว่าไปือซินกินเจน้ำพนก็จะต้องได้สละไปแบบ ขำมือขำคืนนอนวัดนอนว้าขั้นไปแล้วกาเออกามันกาคือว่ามันกะคือว่ามันเป็นอย่างสั้นอิลีนั่นแ่ะว่ายัางสั้นสาเก่ามันยากแต่มาหู้แล้วตอนนี้ว่ามันบุญาต์แบบนี้นะ่ะทุกทุกอย่างที่ว่าการปฏิบัติธรรมเขาเข้าใจแล้วเรามันคือมาศึกษาตัวเองปฏิบัติตัวเองแบบนี้ก็เลยได้มาหู้เรื่องว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นปฏิบัติตัวเอง แต่กรณ์เขาโน้ยกับบูฮู้ดอกว่ามันเป็นอย่างซี่ก็เคยปฏิบัติมาอยู่ปฏิบัติหลายอย่างหลายรูปแบบเนาะเพราะว่าก็เคยศึกษามาเรื่อง อ, อกับกับว่าปฏิบัติธรรมเหรว่ากับพนว่าไหวพระภาวนาแล้วก็หายนางหลับตาพุทโธพนกระบอกขาโน้ยังซี้นนะเขาโน้ยก็เลยว่าเออกับฮู้ว่าเพลว่ากับเฮ็ดก็เฮ็ดมาอีลีเฮ็ดเฮ็ดปี เฮ็ดเ็ดปีแล้วก่ากัสิเป็นคือว่าขน้อยกับโบได้มีความตั้งใจเฮ็ดคือคือที่ว่ามาเฮ็ดตอนนี้ว่าจยางเั่นสาพะว่าเฮวยังทํางานอยู่ยังเฮ็ดการอยู่ก็เลยเฮ็ดแบบกับสิบโบต่อเนื่องปั่นไดพอมามาฮู้เข้าใจแล้วล่ะก่ามันบบได้ถึงที่สุดของมันที่มันจะเกิดจะมันจะเป็นก็เลยบบได้เข้าใจอย่างโบได้คําตอบคําถามให้ขน้อยเลยเรื่องการที่เคาอยเข้าใจเนี่ยะ ก็พ่อได้ตงแต่ว่าสุขเลปิติเล็กๆในหน่อยแล้วก็าบางครั้งได้หดเห่ะเหินเดินอากาศได้พลินละบาเครังนั่งเขา่สเขาส่งเข่าซานเพลินเอิญเดี๋ยวนี้ขนบบเขาเล่นกับเบเข่าใจแต่ว่ามันยังไงแต่ก็ได้ค้อมสุขอิลิตอนนั้นเจ็ดเปลี่ยนเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็คือเกา่าข้อมโลภกันยังคือเกา่าข้มหลงกัคือเกา่าข้อมอันใด อิศาฤิษยายังเต็มเปี่ยมคือเขามันก็น่าน่าคิดนะน่าคิดในตัวเองว่าเป็นอย่างมันยังขึ้นยังเป็นอย่งซียูขน้อยเว่เอาให้ตัวเองนะลูกเห็ดอันไหนโบได้ดังใจขน้อยเพลิงเป็นคนเจ้าระเบียกกานเห็ดอย่างแล้วก็เบิ่งแล้วมันโบสะอาดก็ต้องให้ลูกเห็ดไม่กะบ้านเขาก็เอิญขี่ลาไรจูจี้จุกจิกนั่นแหละกะัมันเป็นคนอย่งซี่ยูตะไดยแล้วก็มันก็มิทุนั่นแหละกระถุก หลายแต่เขากับบุหัวมันถูกแบบจังเสียเนี่ยกับห้วมันถุกจะซีศึกษาจังใดกับมันเป็นยังซีอยู่ขน้อยก็เลยมีมือหนึ่งขน้อยเลยเลิกการกับมันมายามใดกับมาแวนเรื่อยๆมาวัดนะะมาทุกมือแหละถเป็นคนฝักไฟในเรื่องนี้อยู่แต่ไดนแต่ว่าหันกับบได้เห็ด ่จริงจังว่าฉันจัะแต่หันเป็นมักมกระมักไปวัดไปว่ายังส่แหละก็เลยผ่านมาวัดเพราะว่าทางไปทํางานเขานยังเหตุการณ์กลางคืนอยู่ตอนนั้นผ่านมาแ ล, แล้วมีวัดลาวเขาเพิ่นเปิดกระเซตของหลวงพ่อหลวง พ, อวงพออ่อใหญ่เขาเนี่ยหลวงพ่อมาดิเลดเขานี่นยแหละกลายมาแล้วเลยได้ยินเพิ่นเปิดแล่ะกะัโอ้ฉุกเฉือกเขาก็เคยได้ยินขน้อยเคยได้ยินอยู่เรื่องการเพิ่นเทพ อยูเซ่ก็คือกันไปวัดใดบลนไดก็ะตามเพื่อนก็จะต้องเทศเรื่องการรักษาศีลกินทานอันนั้นอันนี้เพื่นก็บ่าอันนี้ส่งเท่านั้นกลับทนี้กลับเพื่นก็เคยเว่าวมาเขาก็ได้ยินใจจังสั้นนะขน้อยเองเป็นผู้ได้ยินจังสั้นแต่มาเมื่อนั้นขน้อยก็แปกใจได้ยินเพื่นเปิดเอ็มพีทรีของหลวงพ่อมหาอิเลสนี่แหละเพื่นเราว่าเกี่ยวกับเรื่องสติบ้านกอนซิมาตึกใจขน้อยหลาย เกี่ยวกับเรื่องสติเพิร์นว่าสติขน้อยก์แคริววอลแบบสั้นๆรวบปลัดว่าเรื่องสติมันแตกต่างจังไดที่ขน้ทนได้ยินและก่อนขน้ทนต์ได้ตามเพิ่์นเขาไปในวัตตาเพิ่์นว่าสติของคนเฮานี่มันมีอยู่สองย่างส่วนว่ามีสองระดับเพิร์นนะเออคอน้ทนต์ก็นั่งฟังอยู่กับฟังแบบผิวเผินเพราะว่าเฮากัยังมี คล้ายๆกันคือว่าตัวเองก็ยังมีทิฏฐิอยู่เพราะเคยนั่งจนเข่าทรงเข่าซานได้เคยนั่งเหาะเหินเดินอากาศได้มีสุขมีปิติกับว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติแล้วนะข้มหมายของขน้อยนั่นนะแล้วเพิร์ลเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติยังซิมันกรบโบโบให้ค้อมสนใจหลายปันไดก็คล้ายๆคือโบริสเปกในความความว่าของเพิร์แต่ว่ามันหันมาสกิดใจขน้อยตัวนี้ขน้อยก็ฟังเพิร์ว่ามันแตกต่างสติของเขาหนี่มีอยู่ ใข่ไขคือ ก, กันกับว่ามีสติอแบบสติสันสัตยานผลเอินอย่างเช่ น, น่สนะสันสัตยานของคนเฮานี่มีตามตามปกติมีจังซิแล้วก็สติของตัวนี้นี่จะโบแตกต่างกับคุณผู้ขับขอโทษเดี๋เพิ่นเพิ่นว่าในจังสั้นว่ามันเพิ่นเอาไปเปียบเทียบใจอย่าับเดยร์สารน่ะนะหมูมาเป็ดไก่น่ะนะโบเปียบ บบบแตกต่างคือกันกับเขาเจ้าเพื่นว่าถ้าสติโตนี้นี่คันยังเป็นยังซียูเฮากับซีมิทุกจังซี่ไปแล้วก็เฮากันยังคือกันกับเขานี่แหละเออเขายกับฟังไปเพื่นว่ามันมันแตกต่างจังใดเพื่นกับว่าว่าเขากำมีความสามารถหาอยู่หากินคือเขาหาอยู่หากินอืเขาเลยก็ฟังเบื้งแล้วเพื่นว่ามันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมันก็ซอกหายุขหายาปินป่วกันเองได้คือกัน หาที่อยู่อาศัยเห็นบอกมันก็คือบนนกหนูปูปีกกะหาเห็ดหอกเห็ดทั้งเออมาฟังมันกะมีหน้าคิดแล้วก็พิจารณาบึ้งกะค่ายค่ายคือว่ามันมันมันแมนแต่กัยังบูซื่อหนาดในใจว่าคนคือเบาทีส่สมีการโต้แย้งใ น, ในใจเลยว่าขั้นเฮาบูมีสติเห็ุจังใดเฮาจังคนที่ได้ทํามาหากินมีเงินมีทองมีสีวิตจีวาอ่าครอบครัวเฮามีดีขึ้นมาได้ยังสิเฮามาจากเมืองนอกเขาเป็นโอพยูปรอดภัยเขาไม่โต้เถียงขึ้นมาใน ใ, นใจเลยได้ เขามาตั้งแต่มือเป่าเขายังเอาครอบครัวเขาขึ้นมาได้จังซี่มีความสามารถเห็ุล้าเหตุการณ์มีหน้าที่การงานดีมันบอกในใจขึ้นมาอุย้ยเพิรนเวล์จังซี่แต่กลับมาเปรียบเทียบกับความเพิรนเว้ากับสิ่งที่เขามีขึ้นกับสัตว์หันก่ายค่ายขึ้นกันอีกโอ้เขาก็มีจังซสิหลยแล้วมีข้อหนึ่งที่เพิรนเว้ามันมาให้ขาน้อยสะดุดใจว่าแต่มนุษย์เขานี่ยังมีแช่นอยู่คือว่าเขาสิมีสิทธิพัฒนาจิตใจของเขาในระดับของสติปัญญาในขึ้นม า, าสติธรรมดาได้เป็นสตปะานได้ ถ้าเฮาได้สติตัวนี้เฮาสิพัฒนาขึ้นมาจะเกิดเป็นผู้มีความหู้ความเข้าใจคือคือมีปัญญาคนแบบมีมีสติมีปัญญาขึ้นมาแหละจะจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือเหนือความโลภความโกรธความหลงนี่มันก็ะลัมัดจินใจน้าตัวเองเนี่ยมันมีความความโลภหลายความหลงหลายวิจารณ์สาความโกรธหลายฮ่ามันก็นาคิดละพิจารณาเนอกก็เลยได้คําตอบแค่นั้นแหละกะขอเอาสติน้าตัวนั้นกลับขึ้นเมืองบ้าน หลังจากนั้นเขาก็มาฟังกับลบไปลบมามันก็ยังมีความข้องใจว่ามันมันหนาสิศึกษาและกันหาสินั่งไปพิจารณาเบิ้งว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่งว้าเียมันมันมันก็คือเมนแต่เขาเขายังบู้มันสิถึกหรือบุถึกเพรอมันยังบดได้เข้ามาเข้าใจในลึกซึ้งในการเขาปฏิบัติบ่ได้ปฏิบัติเธอแต่ว่าก็เลยมาเข้าใจอย่างสั้นเราเห็นจังได้ทีได้พบหลวงพ่อผู้นี้ คิดในใจก็เลยถามอาจารย์ผู้พันเจ้าวาดวัดในวัดนั่นแหละพันเราบอกว่าพันเป็นลูกศิษย์ไงของหลวงกุเทียนแล้วพันเดี๋ยวนี้พันมาเผยแผ่อยู่ในรลักสิบเศกาทเขาเนี่ยอยู่วัดตาแบบนั mm ้น hmm. เหตุอะไรเขั้นวยสิได้พอพอันพ อ, พอเอินเพันพอพออ่าเงี้ยพอพูดนั้นเอออมื่อวันศิลป์พอสิภาไปดอกเพันศิลใหญ่พอสิภาไปกะเราอย่างนั้นนะก็เลยกลับเมื่อบ้าน เมื <Es> <an> ่อฟ <economies> ังกบไปกบมากระเพิ <movie half> ่นกระเ้าวต่เกี่ยวกับเรื่องตัวนี้ขน้อยกระบ้ามันโบได้หรอกสิถ่ายฉนฮอดมือวันสินวันผักโบได้ขน้อยสินน้ำเข้าไปเองข้าน้อยก็ะเล่นําเข้าไปศึกษาน้ำเพิ่นเข้าไปกะก็ไปหาเพิ่นนี่แหละขน้อยชีบเว้าในคําตอบที่ว่าได้รับเถื่อนข้าน้อยชีบเว้าตอนที่ขน้อยไปศึกษาน้ำเพิ่นบานนี้ขน้อยหู้จนซันละขน้อยก็เลยนถ่ายเนี่พอนี่ยโบได้ขาน้อยเข้าไปศึกษาน้ำเพิ่นบานนี้ ไปหอดพ่นไปหาพ่นเขาเลยก็ไปกราบไปไหว้พ่นที่จริงแท่ไปแล้วก็มันเป็นงานใหญ่นะโบโ บ, บไดโบไดเขาพบพ่นดวยแบบตูตาตูเถือไปงานใหญ่มันหลายคนแขกคนไปก็เลยไปคึกในใจวัในใด้ดต้องไปขอเป็นลูกศิษย์พ่นไทยได้ละหลวงพ่อพู้นี้นะพาะว่าหู้และ ว, ว่าการเทศการสอนพ่นมันแตกต่างก็คูบาอาจารย์หลายก็เลยไป ถ่าด น, นั่นแหละเนาะจนว่าคนสิมุดกระมุดยากละพะว่างานใหญ่งานบุญบุญสิเป็นบุญที่เพิ่นนั่นสมโพธพระนี่นะเขนักันวัในนี้ใดากาสิบยมเมือต้องถ่ายอยู่จนถ่าคนเมืดสิบปขอเป็นลูกสิเพนอันควมใจอยากอยากศึกษาในตัวนี้นี่ได้ย่นสติสองอย่างในซื่ออยากไปถามที่เลขนะไปไปหอดเลวกอะ ไปกราบไปไหว้เพิ่นไปขอเป็นลูกศิษย์เพิ่นกะเนี่ยเอือยน้องเยาเนาะมุ่งที่เพิ่นบาอยู่เพิ่นอยู่หันแหละเพิ่นก็เลยเอาไปฝากคนโอ้ยน้องสิไปทาเพิ่นจนคนมดนี่โบได้ดอกมาเอือดีแล้วขันเจ้าอยากมาปฏิบัติเสียเอาไปฝากไปฝังเพิ่นก็เลยเอาเข้าไปฝากไปฝังกับไปกราบเพิ่นก็บอกว่าเขาไมยอยากขอมาเป็นลูกศิษย์อยากขอมาปฏิบัติบอกอย่างนี่เลยกับเพิ่นเลยโอ้เพิ่นกับคึกนะวันมาตาย แาตมามาเปิดวัดอยู่ในเกือบสี่สองปีแล้วสีเอิญไผมาปฏิบัติกันยังบุญมิัยมาปฏิบัติแต่ว่าดีแล้วเจ้าสิมาปฏิบัติเจ้าสิมาเมื่อไดร่เขาหน่อยพักวันพุทธกับวันผ่าหัดเขาน่อยสิขอมาปฏิบัติสองมือ้อบอกคุณหลังจากนั้นและะ้วก่ะโอ้ดีแล้วดีแล้ววะสันกับบท่านในเบ้าหยั่งหลังจากนั้นกะมาแล้วก็เริ่มปฏิบัติเลยเขาหน่อยไปปฏิบัติทุกๆวันพักเขาน่อยวันวันพุทธกับวันผระหัดแค่เดือนครับเดือนปลายเสร็จเสร็จนี่แหละ ปฏิบัตินำเพลินนันทุกทุกสองมือแต่วันผักมาแต่เศร้าจนคำแต่ควอมปฏิบัติของขน้อยผัตั้งใจอิลิเป็นคนที่อยากหู้และเป็นคนที่ว่าอยากศึกษาอิลิกา่าอยากเว่าวน้อยหนึ่งเนอะเรื่องการปฏิบัติขน้อยขอกราบขอโทษหลายๆเลยขน้อยโบได้ปฏิบัติจังส่ขน้อยเข้ามาปฏิบัตินะแล้วเพลินกบับโบได้เว่าไวาได้เว้าหลายน้าขน้อยเพิินเห็นอุปนิสัยของขน้อยว่าเป็นคนอยากปฏิบัติเพลินก็เลยบอกว่าให้ปฏิบัติ เพิ่นโบหฮซีดีเพิ่นโบไฮปุ่มธรรมะยังให้ก็ะโได้ดอกขนไอยอ่านบูปินขาได้อ่านตัวไทยบูปินแล้วเขาน้อยกว็วอาภาษาไทยบูได้เข้าไปฮะนะ่ะเพิ่นกระโบหฮอย่างเพิ่นกรให้ตั้งใจแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไปกราบเพิ่นยามได้กระเพิ่นก็ม่ได้บอกอะไรขึ้นไปปฏิบัติใจก็มีคว่ำอคติหน่อยหนึ่งว่าหลวงพ่อในผู้ใดมากก็คือเอาซีดีให้เอาปุ่มธรรมะให้ แล้วพนกวาว์าสนทนาปา่าใสเป็นอยัางกับเขาพนขึ้นไรเห้แต่ปฏิบัติพนว่าเขาเป็นคนลาวบอ้อพนแบงเนี้ยบก็มิใจคิดได้ขน้อยตะกี้นะ่ะกะเนืน้อใดกะยาเขาต้องการอยากหู้ศึกษาขานึกแต่ตั้งใจอลิแตงหอเข่าเจ้าของไปสิไ ป, ส, ไปสิไปกินเจ้าของละแตงอันนึงไปให้พระกาบเมซีแล้วก็เอาอาหารการกินให้เมซีขึ้นโตุเขานอยตั้งใจไปเขาน้ึยรีกไปยู่ส่วนโตลดตั้งใจปฏิบัติคนเดียวเศร้าจัคำคําเศร้าจัคำคํา เรื่องการปฏิบัติของขน้อยเขน้ยก็ตั้งสัจจะเอาเองโลดเริ่มโลดเข้าไปปั๊บนี่ขน้อยผัเนาะว่ายพระเคยติดแต่ว่ายพระพระคัทฉาอย่างขน้อยก็ว่วยขน้อยเพียงเมื่อไหร่นั่งโลดตั้งสัจจะอธิษฐานโลดสามชั่วโมงนี้ขน้อยสิบบุลุขน้อยก็บุลุกอิลิแล้วขบว่ปากบวกละไปแล้วมันก็มิแต่คนเดียวอีเลี่ยวไปนะ นั่งไส้มันมีหลายอริยบทย่างคือเพลินสอนเนี่ยเนาะมันได้หลายท่าก็นั่งนี่แหละแต่สิเปลี่ยนอริยบทแต่กย่าแต่ให้อยู่ในอยู่ในท่านั่งสามสมมงถ้าสามสมมงแล้วขน้อยสี่ย่างสิ่สามสมมงขน้อยกันย่างสามสมมงถ้าบวมห์สามสมมงขน้อยกับบุยุทธถ่ายมันใจเขน้อยได้เห็ดยังสละเฮ้เห็ดยังสละเศ้าจนคำเศร้าจนคำกินข้าวก็กินอยู่คนเดียวกินแล้วแล้วกะปฏิบัติมีแต่ปฏิบัติก็คือจังเขาเห็ดยังสิละหันบวเห็ดยังสิบวปากบวมนําไผ่หันตั้งใจลิ ประมาณเดือนปลายหลังจากนั้นเพิ่นก็มีจัดอบรมยังสิละสามวันเขาหน่ยขอมาได้แต่เพิ่นจัดหันคือสี่ประมาณห้าหรือเจ็ดมือแล้วเขาหน่ยกรบปุจย์ปันใดเขาหน่ยขอการได้สามมือเขาหน่ยก็เข้ามาปฏิบัตินําเพิ่นเข้ามาสามมือนั้นเขาหน่ยเข้าใจลดเรื่องรูปน้ําเลยเข้าใจในนี้แต่เขาหน่ยบู๊ฮู้บอกว่ามันเข้าใจรูปน้ําแต่เขาหน่อยมาปฏิบัติแล้วเขาหน่อยมาเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจดีบาดเดียวลดแต่คว้มเข้าใจของเขาหน่ยมัน ต่างมันแกตกต่างอิลิคุ้มเข้าใจในในตอนข้น้อยนางเขาได้อยู่ในอริยาบทอยังเข้ขาจังสิละกระตั้งสัจัติธิฐานแบบคือเคยเหตุนั่นแหละก็ก็เข้ขขาใจลดเข้าใจในโตนี้นี่จิตใจนี่เปี้ยนเบาอ่อนสร้างจังหวะนี่กะมันไวแต่กระเคยบอกคือไวมันใจของเขาไวแต่คุ้มเข้าใจของข้น้อยเดียวนี้แล้วกะคือคุ้มตโตเนื่องของเขาที่เขาเห็ุมาแล้ว คอนเสิเวิาเรื่องควอมเข้าใจแล้วบาสนี้มันมันต่อเนื่องถึงที่สุดของมันแล้วสติตัวนี้มันเต็มมันก็เลยเกิดสภาวะควอมลู่เข้ามาในกายมันนี่นะหลังจากเที่ยวหู้ตัวนี้มันบุกคืดที่ขน้อยเคยฮู้เคยนั่งปฏิบัติก่รรมาเลยอันไ้มันฮู้ไม่แต่ฮู้ออกนอกฮู้ติดแบบอยากฆ่าอยากไปทรงเป็นอยากมีริบมีเดชไปยังสั้นอันสิ้นนะแล้วก็ดีใจควอมที่ขน้อยได้สัมผัสอันที่ว่าขน้อยได้ปฏิบัติมาเจ็ดปี แต่ตัวนี้มันบกคือจังสันเข้าใจตัวนี้จิตใจนี่จะโน้มขึ้นมาเบิงแต่แต่เขาเองเห็นคว้มพิษเขาเองเห็นคว้มถือเขาเองอันใดพิษแก้ไขเปลี่ยนแปลงเข้าใจแล้วก็ตั้งใจเริ่มปฏิบัติเข็มเขาเออกรราเลาให้คนฟังพคนก็โอ้ยอนิโมทนาสาธุก็เริ่มเข้าเก็บอารมณ์เข็มเข็มเข็ ม, ข ม, ขมต่อต่อมาเข้าใจสม ม, จมุติเข้าใจปรมาจิตไปเราได้บาตรนี่นะ่ะไวเลยแต่ว่าถ้าเข้าใจตัวนี้แล้วเราจะต้องเหตุ เหตุให้ต่อเนื่องอิลิสิปฏิบัติสายได้ก็ตามตอนนี้เขาเริเข้าใจแล้วสิพุทธโธก็ตามสัมมาอรหังกยาญุกโนอพ่องโ น, นก็ตามแต่ก็ต้องการต่อเนื่องของการปฏิบัติคือกันเฮายกมือ น, นี่คือกันถ้าโบต่อเนื่องแล้วสติตัวนี้จะบกเกิดพเพลิ่นสติประธานสี่หรือสติของอประธานเนี่นะคือมันใหญ่มาหาสติเนี่ยนะมันจะบ ก, กึกมันจะบยใหญ่ น, น, นี่มันมัน เห็ดังได้กับโบโบต็มโบโบโบควมหูซึกนี่โบต็มกัแปลว่าโบเกิดควมต่อเนื่องนี่โบโบฉัดเจนกับโบหูถ้าสมมติว่าเขาเคลื่อนไหวแต่เขาเห็ดอยู่แต่ว่ามันบโบได้ควมต่อเนื่องเขาเห็ดตอนนี่นะ่ะแล้วเขาออกไปหันไปนี้หรือไปเบ้าไปลุมมันมันกับเตโบต่อเนื่องมันกับโบต็่มคือกันอีกล่ะอันนี้ก็นานโบเมนเอาเห็ดจังซีแลกซีมะเข่าใจโลดกับโบเมนทุกอย่างก็ต้องการควมต่อเนื่อง แต่ขั้นต้นเนื่องแล้วก็สิมีความสามารถฮู้ได้เลยฮู้กายฮู้ใจเขาได้อย่างแน่นอนอันนี้เขาต้อขอขอรับรองและขอประกันตัวเองเลยว่าฮู้แล้วเข้าใจแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าใจตัวเองได้แท้เข้าใจเรื่องกายเรื่องใจแต่ภาษาบาลีพจนเอิญเข้าใจรูปน้ําเข้าใจรูปเข้าใจน้ํำเข้าใจตัวนี้แล้วก็เข้าใจในการกระทําโลดบะนี่ในหลวงพ่อเทียนพจนจะมีคําพูดของคาเว้าของพจนว่า รูปทำนาท้ำทำมันวะเขาต้องจะเข้าใจว่าเรื่องการกระทําของขน้อยโลดบาสนี่นะสิทําถึกทําพิษก็เข้าใจบาสนี่นะแล้วก็มันกั บ, บเบลีบบไปเพ่งโทษให้ลูกให้ผัวคือเตกี้ได้เตกี้ขน้อยไปเพ่งโทษข้าเจ้าได้อันนั้นเจ้าเฮ็ดบ่ถึอกอันนี้เจ้าเฮ็ดพิษอันนี้คอยเป็นเมยอันนี้คอยเป็นเมีนนคยมคอยเหตุการณ์ดีกว่าเจ้าคอยมีเงินเดือนหลายกว่าเจ้าเห็นบอกเตกี้มันไปเบิ่งจังสั้น อันตอนที่ขน้อยเข้าใจแต่กี้บัดนี้มันเข้าใจยังสิมันกลับขึ้นมาเบิ่งเขาโอ้เขาเปลี่ยนเพิ่นโบได้เขาเปลี่ยนเขาเออมีคว้มอีดูสงสารมีคว้มถือคว้มพี่เห็นบอกนี่แหละคว้มขาหน่อยว่ามันเปลี่ยนบัดนี้มันเปลี่ยนคว้มเข้าใจขน่อยเข้ามาในตอนที่ขน่อยมาเข้าใจกายเข้าใจใจแล้วบาดนี้น่ะเขาเสียวิธีใดเขาจำคอยสิให้ลูกไห้ผัวนี่เข้าใจเขาบัดนี้เขาไปเปลี่ยนโผล่ได้เขาเปลี่ยนเขาบัดนี้เขากลับขึ้นมาเห็ดเขาเอง ขน้อยนี่ตะกี้เป็นคนมักสวยมักงามเออบัดมันตางตัวนี้แหละต่างที่ว่าคุ้มเข้าใจที่ว่าเข้าใจรูปน้ำแล้วคันซีว้าแล้วกัเป็นคนที่มักงามมักสวยและเหตุการณ์กระนาดที่การงานกระดีแดกะมันแต่งเครื่องของได้บัดเข้าใจรูปน้ำแล้วมันเห็นคุ้มทุกบัดเห็นตัวเองทุกมันเปียนลงไม้เองมันโบทาได้บอกได้ว่าหูว่ามันทุกแล้ว ปดออกเป็นคันเป็นคันเป็นขันไปกระซอยมันน้าที่แรกกันยากอยู่สิปดอันใดอันใ ด, นดมากันยากแต่วา่ากะกะบนเหนือความสามารถของเขาถ้าเขาเริ่มปฏิบัติเข้าไปเรื่อยๆให้เข้าใจอลิเข้าใจสมมุดลุดมัด้เรื่องพิธีลีตองเขาน้อยนี่ลุดอิลิแต่กี้นี่ว่ายพระโบได้สักเคสกะมีขน้อยกะบฏยอมขน้อยตรงได้เห็ดขน้อยบุกเข้าใจเด้ขน้อยต้องเหตุพอพอเมผ้าเห็ุมาจังสั้นเดชอ่า ไปทานแล้วบอให้ขน้อยหยาิน้ําขน้อยกระดองเลยถามทานแล้วบูมิซื้อขน้อยไปถามโรดวัดพ่ออุดมขน้อยลาดซีเมนต์ให้เดินจมกลมซสายบูมิซื้อขน้อยขน้อยกับโยอมขน้อยเข้าใจเลยได้ปฏิบัติเจ็กปีแล้วอันนั้นนะเพราะซื้อขน้อยคือบูมีอยู่ในท่าด่านจมกมขน้อยลงทุนหลายได้สามพันกุฎดล่าเพาะโอ้ยเมนบ่ลูกออืเอาเขียนไว้เลยฮันเป็นแนวนั่นตะกี้เนี่ยควมมันหยุดมันติดบัตรตอนนี้ขน้อยเข้าใจแล้วมันอยู่ทีจ่ายบัตรนี้ ศิลป์พรก็ได้บุญลับพรก็ได้สันไ ด, สได้ใจบาทนี้นะได้ทานไปแล้วเขาตั้งใจไปแต่บ้านแล้วหู้แล้วเข้าใจแล้วบทต้องเกี่ยวเพิ่นไห้โบไห้เขาก็ได้แล้วเขาตั้งใจเสี่ยมาทานสันดบาทนี้เออสิษย์หยาก็ได้บหญ า, า, า, า, าติก็ได้น้ําคําหยาิน้ำเตะกี้เขากับโบหู้ข้ําแป๋พ่อเมย์เขากับเพิ่นกับผ้าไหว้ผ้าสวดอย่างสันโบหู้บัดมาหู้ข้ําแป๋แล้วแห้งเป็นกัน ทวงมดส่วนข้าน้อยกับเลยเออมันได้จืดออกมามดเรื่องสมมุติทั้งนั่นบาตรนี่นะคนสีเข้าใจสมมุตินี่ก็พอติดกินเจขน้อยนะ่ะตะกีกินเจเอ่อถือศีลกินเจกะบกหันดีอยู่เพราะว่าเขาปฏิบัติใหม่เขาเอาศีลนั่นแหะ <c oughs> ออมไว้เขาเอาสัจจะเอาวิริยะเอาความเพียรทุกอย่างล่ะมันก็นดีแต่ว่าขน้อยติดเรื่องตัวนี้แหละหลังจากนั่นมาเรามาเข้าใจเรื่องการกินเจนี่ เข้าใจส ม, มุติกระลุดมดเลยเรื่องตัวนี้เรื่องพิธีรีตองทั้งสิ้นนี่ขน้อยลุดอิลิบอมีในจิตในใจค่อ ย, อยแปลว่าเจ้าฮู้เจ้าแล้วเจ้าเข้าใจแล้วทุกอย่างอยู่ที่ใจเออกับขน้อยกับคืดหลายตั้งแต่กี้มันเป็นคนที่ว่าขน้อยเป็นคนที่ว่าอยากเฮ็ดอย่างต้องให้ได้ได้จังสั้นใจขน้อยมันเป็นคนยังสั้นโนตะกี้เว้ากับครอบครัวว่าวกับผัวนี่แหละว่าโอ้เนาะเขา คอยบุญญาราบารามีมาบถึงสมัยพุทธพระพุทธเจ้าและใจเขาในี่ติดผูกมัดตั้งแต่เรื่องจะอยากไปเห็นอินเดียไปเห็นบนพันปสู ต, ตัสลุ ป, ปริณิพานบอกเพื่นเอนะิ้นะติดอยู่นั่นละไปเห็นล่เนลาเห็ุการณ์นี่ใส่พิกกี้แบงท่อนเงินไว้พอเพื่นจัดทัวร์ได้แต่ละวัดแต่ละวัดขนาดควมติดของขน้อยนะ สามพันอันวัดหนึ่งอันวัดหนึ่งอันสองพันป่ายโอ้ยขนออยากทอนเงินตัวนี้เว้ากับพัวนะซาถุคนนี้เอ้ยคอยขอในเดอ้อ่อยบอเอายังก็ได้ถาว่าก่อนคอยตายเนี่ยคอยสิเซฟเงินทิปเงินพลิกอันนี้คอยนีิไว้เนี่ยให้คอยได้ไปอินเดียในเด้อพนจัดทั่วตะกี้อันอยัตุสิ่งทองนะพนจัดอยู่เรื่อยเนาะจยากไปน้ำพนต้องได้ไปแท้ๆก่อนตายใจผูกมัดตานั้นพูดได้ ขมอยากไปกะบึงแต่ว่าค้อมเขาผูกมัดเรื่องอยากเห็นพระพุทธเจ้านี่นะควอมใจเขาน่อยนี่บัดนี้เขาน่าจะค่อยเข้าใจว่าจิตใจอันใดที่เขาผูกมัดแล้วมันจะต้องมีมีควอมคิดเวลาไปนางอันเขาน่านางพุทโธนะเขาน้อยฮนะ้อหยุดทึงอั น, อ, น, อ, นอันสนะของอินเดียนี่นะมันเป็นแบบแพ้ยงยใช่แหละใส่สุดขาวปิวอยู่เห็นพระพุทธเจ้านี่โอ้ยคอมจิตใจเขาบัดนี้เขาน่ยเข้าใจแล้วมันมั น, ม, นมันมีคม้อมอันลึกๆของเขามีควอม ติดใจมีคมพเพลื่อินอุปทานนั่นแหละข้ากับพระจักสีบวาภาษาบาลีเพลื่อนอุปทานของเขาที่ว่าเขาผูกมัดเขาซัทา้าเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสีพ่อสีแม่คูบาอาจารย์ขึ้นกันถัดจิกเขาสงบได้ระดับหนึ่งแล้วนิมิตต่างๆนันจะขึ้นมาแล้วก็มิตรเช่นที่จะมีนิมิตนิรายที่สุดที่เขานั่งลับตาบัดข้าน้ยเข้าใจมาตอนนี้แล้วลรอนิมิตนี้ก็เป็นการซักษาในการเดินทางของเขาที่จะไปหา หาตัวรูดตัวตื่นตัวเบิกตัวบานตัวปัญญาวัชิะ ต, ตัวญานปัญญานี่เป็นเป็นอุปสรรคของเขาแต่ก็เป็นทางผ่านแต่กะ บ, บัดสุดท้ายมาแล้วขนอยมากมันลุดได้ลุดได้ย้อนเข้าใจสมมุติเข้าใจประมาทอันนี้คว้มจริงอันนี้แล้วไปก็ได้บบไปก็ได้บันอินเดียเออมันมันออกถึงขนาดนั้นได้เจกี้นี่โหบอดาย ทอนเงินใส่พิกีแบงกันไว้เพราะว่าใน่แตเขาเล้ากันอยู่แต่ว่าเขาครอบครัวเขากรบอกได้ห่างมีเนาะทอนไว้ถ า, าว่ามันเงินคบระบาดเถื่อครอบพนก็สิงายผัวเสีให้ไปกันไปอินเดียกันได้บาทเดียวนี้มาเข้าใจรูปเข้าใจน้ำเข้าใจกายใจเข้าใจรูปทำน้ำทำเข้าใจส ม, มุติทั้งหลายทั้งปวงนี่แล้วสาธุโยมือหนุบตัวเองว่าไปก็ได้บม่ไปก็ได้เขากราบอยู่นี่เขาก็ถึงเพล้วนี่ได้ใจบาทนี่น่ะเข้าใจถึงพระพุทธเจ้าแล้ว เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเขาถึงแม้เขาจะไปหอดเพลินแล้วเขาโบาเห็ด น, น้าทําตามเพลินเขาเ็ยังโบเห็นเพลินสาเหตบาตนี้มันเข้าใจไปยังสัตว์เขาอยู่นี่เขาเห็ดน้นาทําตามคําสอนของเพลินคําสอนของเพลินให้จังได เพิ you, ่นกว่าไล้เนาะขน้อยกับสิ่ชื่อได้แต่เพิ่นว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่เพิ่งของตนขน้อยกับคิดว่าตะกี้ความเข้าใจของขน้อยว่าตนเป็นที่เพิ่งของตนกะเขากัหาอยู่หากินเป็นครอบเป็นครัวเขากับเฮ็ดอันลาเฮ็ดการเฮ็ดครอบครัวเป็นแม่เฮือนแม่สารนก็เฮ็ดนาทีของเขานี่ยขาน้อยกับคิดว่าเป็นที่เพิ่งของเขาแล้วแต่บัดมักเข้าใจลึกๆของตัวนี้ที่เพิ่งของเขาคือสติสมถิปัญญาบัดนี้เขาต้องมีที่เพิ่งของตัวนี้ จิตใจตัวนี้ที่เขาพัฒนาของของสติปัฏฐานนี่ขึ้นมาเนี่สติของสองโตนี้เขาไม่นมาเข้าใจแจ้งปุ๊เลยบบมีคําถามกับหลวงพ่อเลยบาศ์นี่อันที่ทฟังเพลินเว้าแล้วมีความโตแย่งในใจแล้วอยากไปถามเพลินอยากไปเป็นลูกศิษย์เพลินแต่เพลินก็บอบอกเพลินบอกตอบแล้วเจ้ากันยังบม่เข้าใจข่มหูดเป็นข่มหูของหลวงพอ่อเจ้าต้องปฏิบัติเอา ควมมีอคติน้ําใจให้เพิ่นว่าเพิ่นโบหักเขาเพิ่นโบให้ซีดีเพิ่นบบให้ธรรมะโบให้อย่างขน้อยก็หายสงสัยออกมาไปกราบคารวะเพิ่นพอเข้าใจแล้วว่าโอ้เพิ่นเห็นอุปนิสัยเขาเป็นคนหมักปฏิบัติเพิ่นให้ปฏิบัติเองหู้เองเห็นเองเออผู้ที่โบสนใจเพิ่นกระแจกนั่นแจกนี่ไปเพิ่นซวยไปน้าทังอ้อมขน้อยจังคอยเข้าใจโอ้ยตัวสิเป็นบาปเป็นกรรมไปกราบคารวะสมมาเพิ่นบัดเขามาเข้าใจจังสิแล้วทุกอย่างอยู่ที่ใจแท้บาตรนี้ ใจเป็นไงใจเป็นประธานสําเร็จแล้วก็อยู่ที่ใจนี่ข้าน้อยเข้าใจยังสิขน้อยก็มั ด, ม, ดมัดความสงสัยไปก็ได้โบไปก็ได้แล้วก็โบโเป็นว่าประมาทหยาดเอียงมดทางนั้นเลยทุกอย่างนี่นะ่ะเฮาเห็ดเอาทําเอาอิลิคื อ, อยังสิแหละขน้อยกับเฮหู้คือกัมตะกี้น่ะแต่กัมเ า, เ า, เาเห็ดแต่ค้าเฮาหู้แล้วเฮาเห็ดแล้วเขาขั้นเขาเข้าใจตัวนี้แหละอะไรพิษอะไรถือเฮาหู้แก้ไขได้บาสนี่เฮาหู้อยากพัฒนาสติตัวนี้บาสนี่นะ พราะว่าหู้แล้วว่าเฮามีแชนกลัวสัตว์เดรรษานั่นเพอว่าข้าเจ้ามีสติระดับนั้นแต่ข้าเจ้ากะเปลี่ยนแปลงอย่างโบได้แต่เฮามีมีโอกาสและมีแชนของเฮาที่จะพัฒนาสติตัวนี้ขึ้นมาให้เป็น ญ, ญานปัญญาได้แก้ไขค უ ้มที่เฮาถุกเมนบางคนเพลินกับสิหังมีเพลินบุตถุกบุตรถุกเรื่องทางกายแต่คน เพิ่นสิถูกทั้งใจอยู่แต่เพิ่นกระอาจสิโบหูมันสิไข้ขึ้นกันกับเพิ่นวานกอยู่ทงฟ้าโบหนินอ่าโบหินอากาศแังสะละนะเนาะโบหินฟ้าป่าอยู่ในน้าํากับโบหินหน้าคือขอโทษเนาะเพิ่นว่าคืออ่านอนอยู่น้ําอุจจละกับโบหูว่าเป็นอุจละเฮานี่ก็อยู่น้ําทุกเฮากับโบหูมันทุกเออคันว่าทุกคันว่าเฮาหู้ทุกเฮากับโบหูจากสิออกทุกโบหูวิธีออกจากทุก พอเขาต่อยังบบมีไปพบพ่อคูบาอาจารย์ผู้พันศิได้แนะนำให้เขาหรือว่าเขาหู้แล้วพันบอกแล้วเขาก็ยังโบเสื่อเขาก็ยังโบได้เห็ดโบได้เห็ดแท่โบได้เห็ดจริงจังสั้นนะเขาก็ยังโเห็นเขาก็ยังแก้ทุกตัวนี้โบได้พอสติตัวนี้โบได้เปลี่ยนแปลงสติประธานสติสรรซาตยานกับสติของสติประธานนี่นะโบท่นได้เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นญาณหู้หรือเป็นญาณปัญญามันกับซีอูจังสั้นคือเก่ามัน เขาก็สิทุกอยู่ยังสั้นตลอดไปแต่ค้อมเข้าใจของข้น้อยนี่ฮู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของเขานี่เปลี่ยนได้เหตุดได้แล้วกะสิแบบว่าง่ายอีกเพราะว่ามันบริขัดของโต้แย้งเรื่องการปฏิบัติเลยบาทนี่เจ๊ข้าน้อยกับฮู้มันเป็นการคัดคัดของโต้แย้งในะฮะว่าเขายังเหตุการ์อยู่เขายังมีครอบครัวเขายังมีลูกเขายังมีหลานบาทนี้บอ เขามาได้รับบทเรียนจากเพแล้่วเขาไปเห็ุอยู่บ้านก็นได้การปฏิบัติธรรมมันเป็นการปฏิบัติตัวเองเลยได้บาสนี่เขาปฏิบัติเขาเองที่ปฏิบัติอยู่ไสก็ได้บันิพันเนนาเขาแล้วเหตุยังจะให้เอาความหูซึกโตนเข้าไปบาสนี่การปฏิบัติง่ายและแห่งไงในสายอ่าหลวงพ่อเทียนนี่เขากะบมเมนวาสีว่าง่ายหรือ บ, งอองบง่งายกระยักให้ทดลองเบิ้ง่ายน้าแบบใดเพราะว่าการเคลื่อนไหวนี่เขามีการเคลื่อนไหวอ ย, อยู่แล้วตั้งแต่เขานอนรับอยู่กับยังเคลื่อนไหว คือล้มหายใจเขาธาตุสี่เขานี่มันทํางานอยู่สามสิบสองเขานี่ทํางานอยู่มันก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วแต่เขาโบหู้เอาความหู้ซึกงโตนี่เข้าไปซื้ อ, อคันห้าหู้วิธีแล้วเขาเอาความหู้ซึกงโตเข้าไปใส้น้ำเลยเป็นการปฏิบัติไปในโตเลยสีไปสายียางสิ่กิน ส, ส, สี่อาบน้ำสิล่างถวยสีเฮ็ดเขา่าเฮ็ดเฮ็ดยู่เฮ็ดกิน เขาเมีแต่เอาคามหู้ซึกเข้าไปซึ่งเป็นการปฏิบัติในตัวบานนี้แต่กี่เขากะเขากะเคลื่อนไหวมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่แต่กันยังบูหูเ้เป็นเป็นเป็นการปฏิบัติเพราะว่าเขาบูได้หู้ตัวนี้เด้บัดนี้เขาได้หู้แล้วเขากะพยายามให้กําหนดเลยแต่ละขั้งเฮดจังสันอิลี่เขาเริ่มเฮดอิลี่เด้กําหนดโลดตืึนขึ้นมาเนี่ยนะเขากําหนดเลยตั้งแต่เขาลุกสิพับ พ, พ่าโฮม พื้นบักยิ่นี่กบมีการดังมาลุงซุงสังสินโนเฮียนกันหลายๆคนนี่กบมิการบุมมิการไปตีงคิ้งพลิกพิกให้มูได้อ่ล้ำค่าหนกบอมันจะมันจะเป็นของมันเองถาเขาเข้าใจในเรื่องการมีสติของตัวนี้นี่นะิละมัดระวังสียางสิไขตู้เบาสิไปใส่มาใส่มันสิเป็นของมันเป็นออโตมติกของมันเองไปเลยเรื่องกลมุสึกตูตัวนี้ขอให้มันได้เป็นถามันโบเป็นมันกับโบเปลี่ยนแปลง สิปฏิบัติสายได้ก็ตามทันยังเปลี่ยนตัวนี้ยังโบผานตัวนี้กับบทันมีความเข้าใจตัวนี้เรื่องสติอของพเพอินสติของประธานนี่นะถ้ายังบบเกิดกระแปลวย่ยังบบยังบบเปลี่ยนโบได้กรยังคือเก่านั่นละกระชิทุกคือเก่ากับมันกับเป็นอย่างสี่อิริควมเปลี่ยนแปลงกับโบมีไผ่ฮู้นเาเฮาเฮาฮู้เฮาเอง และมันเปลี่ยนแปลงว่าเขาวัดแทกเขาเองได้เขาเคยเป็นคนแนวดายมาก่อนละเดียวนี้เขาเป็นจังดายเขาเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเขาได้จังไดาเขาจงค่อยกล้าเว้ากล้าวาจังกล้าเสียสละตัวเองออกมาได้จังสิไวซันซะคนแต่ ก, กี้เป็นคนแบบว่ากับบ้านเขาเคยเอิญเหยียบกีกไกโบแป้พูดหรืไปแต่ว่าเป็นอยังค่อยเปลี่ยนลงมาได้จังสิกระยอนมีควมหุ้สึสตูนี่แหละกระยอนมายุกมือเขาหน่อยก็ได้ อันตั้งแต่เจ็ดปีหันก็ยังเปลี่ยนขน้อยโบได้กบมาเปลี่ยนเทคนิคตัวนี้คนสีได้เปลี่ยนกับย้อนพันวาอินทรีเขน้อยนี่ออนเอเจ้านั่งหันนี่เจ้ามันโบผ่านนิวอ้อนพันบอกจังซี่สื่อได้คั้นถ่าเจ้าสีเห็ดเนื้ได้ก็ได้ถ้าเขาต้องวัดแท้เขาเองว่าจริตเขานี่มันเข้มแข็งบ่อถ่าคันมันยังโบผ่านนิวอ้อนแล้วสติตัวนี้มันกระสิต่อเนื่องเข้าไปเป็นสติปทานในโบได้ หลักขั้นมันผ่านโบได้แล้วก็แสดงว่ามันกันยังอยู่นั่นแหละก็สีได้แต่แทนสมถะกดทับเขาเล็กๆหน่อยอันนี้เป็นควอมจิงบางเถื่อขน้อยก็อดแท้ๆเลยขน้อยปฏิบัติตะกี้เนาะออืมีควอมใจให้นางพุดโถลงมานี่น่ะลงมาผัว ย, ยังบโบมาหอดเหือนนะ่ะผิดเวลาซือซ่อนะ่ะจะควอมอดเขาไปได้บโบได้อย่างไรถวยแจวถ้วยปนทิมไปบูมือเลยคนใดขน้อยนะ่ะเออมันได้แต่ส่วนขาวสื่อน่ะ มันเย็นสูขขาวเพล่นเอิญมันว่าสมัติเต่งมันไว้ซื่อก็เป็นคมจริงอันนี้นะแต่กับบัตรสุดท้ายมาเราบัตรมาเปลี่ยนเทคนิคน้นอยเดียวสื่อเพราะว่าเขามีความอ่ามีความเข้าใจและมีความหมักความอยากเห็ุอยากทําอยู่แล้วเขาไม่แต่มาผิกการปฏิบัติของเขานีขึ้นมาให้มันตื่นซื่อเพราะว่าเพลินกระพ้าเขาบริกรรมอยู่เดิพุทโธพุทโธ เมนบอล่ะขั้นเขาปฏิบัติยาำใดพอมเมนเขาบอกฤาษีครูบาอาจารย์ว่าปฏิบัติย่งไดก็ได้ก็ให้บริกรรมพุโทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้แต่เขากับผู้หูทราบว่าคำพุโทโธให้เมนยังเออบัดมาเข้าใจแล้วพุทโธก็คือผู้หู้ผู้ตื่นผู้เบิกผู้บานแต่ใจเขาตื่นได้เวลาไปนั่งพุทโธล่ะมันรับบาตนี่นะคำมันรับลงไปแล้วมันเป็นพุทโธแล้วมันบนตื่นมันบเบิกบาน แล้วเห็ดใดมันค่อยสิทไปเปลี่ยนได้บาตนี้มันเปลี่ยนเฮาวโบได้เพราะว่าเฮาวโบมีอินรียเข้มแข็งคือพระสงฆ์องค์เจ้าคนเด้พระสงฆ์องค์เจ้าพนมีโอกาสหลายพนมีเวลาหลายเพ่นมจันสรละมดแล้วพนเข้ามาอยู่ในในสิทในธรรมพนซันซะอยู่วัดอยู่วะพนมีโอกาสเขาได้จักลูกจักผัวจักลาจักการเขาเห็ดโบได้คือเพนเพราะว่าพนมบางเธออินทรียมันจะเข้มแข็งแต่ว่าถ้าเฮาวโบได้น่ะเขากับมีหลายหลายอย่างหลาย แนวที่เห็ุไหนเขาตื่นระเบิกบานได้คือเขาปุกสดมมันขึ้นซอยมันน้ํามันอยากลับกับมืนมันขึ้นตีมันขึ้นขอนายได้อ่านปึ่มของอ่าพระอาจารย์ตักหมอเพ่นเอาจริงเอาจังแท้ๆได้เลยอาจารย์เส้นองค์นี้่พนนางรับตานางมืนตานางปฏิบัติสมาธินี่นะตาเพนมันอยากลับพนตักนางตาพนออกเลยบังดูควมพนอยากให้มันตื่นระเบิกบานมาสันสะ เขากะบดถึงคันนั่นมันดอกไหนมันเอาถึงคันว่าแก้ไขได้เพิ่นก็นมีหลายวิธีบอกเขาอยู่ง่วงสุดๆมาแต่ให้ต้องให้ผ่านนิวรนี่ให้ได้แต่แท้ได้คาโบาผ่านสิปฏิบัติแบบได้กระตามไทยยังโบผ่านนิวรนีบ่บอกเข้าใจเขาเยบอกไว้รถที่เป็นแต่แค่สมถะนั่งทึบนั่งทึมมันไว้อยู่นั่นละ่ะแต่ถ้าผ่านนิวรนไปได้ตื่นเบิกบานได้ต่อเนื่องไปได้สิปฏิบัติสายใดก็ไปได้ โบเมนวชิวแต่สายเขาดีได้สายใดก็ดีเมืแต่ขอให้ได้ผ่านแท้แท่หิดต่อเนื่องให้ได้แท้แท่เขามานังยกมืออยู่นี่ถาบคว่มต่อเนื่องบ่เพียงพอบบตื่นบบเบิกโบบานโบผ่านนิวรนี่ก็ยังเป็นสมรรคอยู่ก็ยังเป็นยังซี้อยู่แต่ถาเขามีคั่มระลึกอยู่ตลอดโยกเถื่อนึงก็ให้มีสติหู้แต่ละเถื่อมีคว่มหู้สึกโตปั๊บปั๊บสิบสี่เขามีดีน้ำเทวามันได้สิบสี่เถื่อถึงเป็นเขาหลงถึงเป็นใจเขามันไปมองอื่น สิบสี่เธอบางเถธอมันสี่หูยุเจ็ดเธอนี่มันยังดีกว่าเขาพูดโทพูดโทมันสองอันนี้เขน้อยมาเปรียบเทียบของเขาน้อยเองเด้อันนี้เพราะว่าสองซื่อมันมันดึงยากในใดเขาก็ไม่แช่นว่าหลายกลัวพอเขาต้องการอันนี้มันเป็นรูปแบบซื่อแล้วก็บอได้หมายถึงว่ามันสิดีบ่บ่ดีแต่มันมันหมายถึงว่ามันซวยเขาแก้ไขได้หลายหลายอย่างคือบ่บ่ห้เขารับบ่อยเขาง่วงเออ ยางเขากับโบยางซาอีกยางซ้าคุ้มคิดทํามันไว้เบืง้งดูนั่งอยู่นี่เขาหน่คิดจะไปใส่รอบโลกเลยนี่นะ่ะมันไว้มันโบทันคขานั่งางไปตา ม, มศาศาถ้ามาซาดเขาโลดเขาอยา ก, าา ก, ากยางจันเลยเขาขยันอันนี้เขหน่อยเห็ดยังสั้นจังว่าเปลี่ยนเปลี่ยนออกจากที่เคยเห็ดผลเจ็ดปีมาไม่ยังสี่สามมือหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้เลยเปลี่ยนแปลงเข้าใจเป็นคนเลือกเลยเขาหน่อยกัยังว่าโอ้มันมันอันนี้สรงของการที่เขาเห็ดให้เขาตื่นเขาเบิกเขาบานเรื่อยๆนี่นะคุ้มเคื่นไหว้นี่นะ พอมันรรมาตร์ของมันเคลื่อนอยู่ลเลยดิยเฮ้า่าไปกดไปทับมันเฮ้าเห็นยังสิละมันไวบ้านนี้นะเพิ่นขน้อยกับจังคอยได้หู้ว่าอันใดกะดีแต่ตัวนี้สำหรับพวกคารวะญาิโยมเฮ้านี่ดีกลัวเพราะว่าเฮ้ามันมีจิตธุลกะยุ่งยากหลายมันบคุคคอพระสงฆ์ข้าขขเจ้าเพิน่น มันสิซอยเฮาบอรับบอง่วงบอยังเห็ดอย่างเฮาเห็ดอยู่เห็ดกินเฮาไปเห็ดอยู่บ้านเฮาให้เอาสติเฮาลงไปโลดเอาควมหู้ซึกโตมาโลดมันลงกรถามมีควมรู้สึกโตบอถามตัวเองโลดเขาน้อยเห็ดยังสั้นเลยได้เขาน้อยเก็บอารมณ์อยู่บ้านก็คือกันส่วนหลายขน้อยไม่ได้เก็บอยู่บ้านแล้วก็ต้องให้คิดวันยุ่งยากเด้อถาว่าเฮามีศรัทธาแล้วเฮาเข้าใจได้เรารับหนึ่งสมีแล้วอย่างขี้ร่าเฮาก็ได้มาเจ็ดมือเนาะหรือหามือเจ็ดมือเฮาได้รับบทเฮียนจากเพลนเลยนี่ เขาเค่มาเอาตบุเฮียนสื่อดอกน้ำผึ้งนี่นะเขาหู้แล้วเขาไปเห็ดอยู่บ้านเขาโลดเขาเห็ดนาที่ของเขานั่นแหะให้ดีที่สุดล่างถ้วยก็เอาความหู้ซึกโตหันเข่าอยู่ในกับร่างถ้วยเป็นการปฏิบัติของเขาแล้วเขาสิกินเข่าไก่หู้เขาย่ำเขากินกรบเบื้งคันว่าบริกรรมแต่หู้ย่ำหู้กินหู้ตืินไปหู้งอเห็ดยังในขณะปัจจุบันนั้นเป็นการปฏิบัติแล้วโบมีอันใดที่ว่าจะคัดของโตแย่งเขาเลยเห็ดได้ทุก โอกาสสมพนว่าอากาลีโกแท้ๆข้ขน้อยกาคิดว่าประกันได้รับรองได้มีค้มก้ายั่งยืนได้อีกว่าถ้าเฮตแท่ทําจริงนะจะกล้าเลยพอขน้อยเป็นคนงโง่เงาเต่าเต่าอิลิเป็นคนโบมีการศึกษาสูงอีกเมตาตาวตไทยกันยังอ่านบบได้ตะ ก, กี้เดี๋ยวนี้ พอออกขน้อยได้ถามขน้อยได้ว่าอ่านตัวไทยนี่อันนี้อ่านจังไดตัวนี้คอยบูจื่อได้นี่น่นเห็นว่ามันอยู่กับนี่ยุที่ใจนี่คั้นเขาต้องการอยากศึกษามันอยากเห็นอย่างมันบุมียังในโลกนี้ที่ว่ามนุษย์เขาเห็นได้มนุษย์เขาเห็นได้แท้ขึ้นดวงดาวกับมนุษย์เขานี่แหะขึ้นกับกับคุมหู้ของมนุษย์เขานี่แ่ะเห็นได้แต่สิ่งเหล่านี้นี่น่ะอันอื่นเขาก็เห็นมาหลายแล้วขน้อยคิดว่าเด้เออเพราะว่ามันกะ คึงคุนแล้วกัค่อนค น, นแล้ะเนาะเพราะว่าผู้ไดยมาเนีนี่ขน้อยเบิ่งกับอยากไปในพุ่นขึ้นกันแล้ว oh. ผู้ว่าอาย่นี่กักายคอนแล้วทีเขาหกสิบแล้วนี่น่ะแต่ว่ากาโบมีอันใดที่จะไปน้าเฮาได้ก็มีแต่คว ม, คว ม, ค, วมวควมหู้ซึกโตนนี่ล่ะควมหู้ซึกโตตัวนี้นี่มันสิเปลี่ยนไปเป็นปัญญาละเป็นยานปัญญาเฮาได้ถ้ามีควมหู้ซึกโตนี่อีหลีได้เปลี่ยนคือหลวงพ่อปูคําเขียนฝนเว่าเนาะ เปลี่ยนพิษมาเป็นถือเปลี่ยนอ่าอโบหู้มาเป็นหู้เห็นบ่ามันเปลี่ยนได้เลยหน้ามือกำลังมือคนว่าวัยเขาฟังเขากินเข่ามือนี้นเนาะคนว้าเป็นคมจริงอีหลีถ้าความหู้ซึกตัวตัวนี้เข้าไปควมห้องหู้นี่นะ่ะไปเปลี่ยนตัวโบหู้มันออกไปตัวหู้นี่สิเป็นผู้จัดการบริหารเขาเมดเลยทาตุซีนี่สิมันสีควบคุมให้เม็ดอันนี้แนนนน เพราะว่าผู้ว้านี้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงเจ้าของม้าถึงคันนี้แหละคันสีว้าแล้วก็ขอให้ให้ผู้เพิ่นเป็นด็อกเตอร์เนาะเพิ่นเป็นลูกเป็นหลานกับว่าได้ก่อนสิได้ผู้นั่นกับแม่พ่อเพิ่นเป็นผู้เอาให้เพิ่นสีหูข้าน้อยเองว่าดีว่าข้น้อยเป็นคนเนี้ยไถ เตกี้คั้นว้าและสิโบมี่ผู้ยั่างยืนให้สุดแล้วนี่อยู่บ้านนังเบะกมีผู้ย่งยืนให้แล้วผู้ผู้ที่ไปซื้อเครื่องน้ํำแล้าหลายๆสุดนี้มีผู้ย่งยืนให้แล้วนะผู้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จำลองฮะนะรานสาวพอพอคนปิดลุ้งเพิ่นก็ะู้ขน้อยเองแต่เพิ่นเจนบูจื้อขน้อยเลยมือขน้อยมาทำอีกแต่เพิ่นบูหู้ขน้อยเลยว่า มันอันเลือดพอแต่บัดเดี๋ยวนี้กะพันมาเห็นเป็นกระยอนเขาเปลี่ยนแปลงเขามาเป็นยังสี่ตกี้โบเป็นยังสั้นมีเห็ดยังกะมิแต่เป็นบ้านเขาพันเกิดยังย่เแม่สี่ตีนสี่มือจำสีเลยนะแต่บัดเดี๋ยวนี้ขน้อยกะกะคือว่าล่ะเนาะมันกะโตเดียวนี้ละพาเปลี่ยนแปลงขน้อยลงมาเป็นแบบนี้มาคุกเข่าคุกน้าไปเป็นหอยตามคาดบาดตามเจ้าหัว ลางานโดยที่เจ้าของยังอยู่แปดปีค่อยสิลิทายได้มันมีความเลื่อมใสสัท่าที่ในโตที่เขาหูแล้วเข้าใจแล้วมีความสุขนี้มันเปลี่ยนแปลงเขาได้มีความสุกความสงบเยือกเย็นในครอบครัวเขาเ่าเป็นทุกข์เป็นโทษบ่มีการ<ล>ทะเลาะวะแวงกันแล้วเรา ม, มันมีเกิดความว่ามันเป็นไปได้อิลิถ้าเขาเห็ุแทนทําจริงเนี่ยนะเขาเข้าใจได้เปลี่ยนแปลงเขาได้ แล้วมีเกิดความเมตตาอันนี้อยากให้พันหูอยากให้เพันเห็นอยากซอยเพั น, นเขาบูมีปัญญาบูมีธรรมะพอสิตไปเทศไปสอนซอยพันขอไปเป็นผู้นําเพันไปซอยเห็ดเข่าเห็ดน้ํำให้พี่ให้น้องเขาได้อยู่ได้กินให้เพันได้ตั้งใจมาปฏิบัติเ <c oughs> ขาไม่คึกจังซี่จังคอยได้คึดวา่าธาสิธาเตมือพักกับมิแต่แค่สองมือขณะเขายัางเหตการอยู่ขณนวา่าเขาสิธาแต่มือ เวกเคซ์่นกะปีนึงจะค่อยได้เวเคซั่นเทื่อนนึงโอ้มันบ่ได้ติถ้าเฮากะสุขภาพบ่เข้มแข็งแลยเป็นคนพยาธิหลายหลายขน้อยเออว่าเรื่องพยาธิกับพยาธิหลายแท้แจ็คสิเป็นแอสมาเป็นบ้องคลายเด็เป็นกระเพาะเป็นหู้สามปองนี่สิกระเพาะกันเลยนะแต่กะก็ได้เข่ามัดเพึงวัดปา่าได้หู้เรื่องการรักษาตัวเองบาดเนี้กะจังค่อยได้มีชีวิตจังสิ ได้เปลี่ยนแปลงตึงไหมจังสิพ ญ, ญาติบาทเน้ยาไปใส่ต่กี่หอบพกยาไปเดี๋ยวนี้ก็สาธุโบได้กินยุค ก, กินยาก็คือว่าธรรมะอันนี้ซอยเหลือแล้วก็เรื่องได้ควมหูควมเข้าใจจากวัดปามาเนเนาะกะเลยว่าเป็นอนว่าเพิงเพึงพระพุทธเจ้าบัาดเนี้นะ่ะเป็นลูกของเพินแล้วก็เลยเพิงเพิน ก็เลยคอยว่ามีมีเสียงเว้าได้แต่กี้ขน้อยบุไมีเสียงเลยเว้าบ่ได้เพราะว่าแอสมามันสิดยาหลายแล้วทอของเขานี่มันจะเบินมดแหละแล้วก็เว้าบ่ได้กาเดี๋ยวนี้กาสาธุกระด้วยบุญด้วยคุณที่ว่าได้เข้าใจตัวนี้แล้วก็ได้มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ขย้อนคว่ำหูซึกตัวทั่วพรอมนี่แหละมันเกิดมันเป็นมันมีแล้วมันก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาได้ <c oughs> เขากระเหติสิ่งที่มันอ่าจะอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายว่าจุลสะกับเป็นผู้เสียสละได้ก็เหติได้โดยตัวเองจังสิกระขโอยคิดว่าทุกคนเขาทําได้ขน้อยว่าทุกคนเขาทําได้อันใดเขาก็ทําได้หมดในโลกนี้คืนขนอขโนยว้าออกมาบางกี่นี่แหละบ่มีอันใดที่ว่ามนุธธษย์เขาเสียบุได้เห็ดได้แท้ แต่คอยเขาว่ามีความมีศรัทธาแล้วก็มีความตั้งใจมีความอดทนแนจักหน่อยหนึ่งโอ้ยบุมีอย่างเลยจะไปเห็ดบ่ได้แล้วก็บุมีอย่างสิจะไปนําเขาได้ไหมมีแต่อันเดียวนี่แหละที่เขาจะได้เพึงเพราะว่าชีวิตของเขามันกับขนแล้วเนาะขนวยวานะกามีลูกกับพึงได้แค่นั้นละ่ะมีผัวกัเพิงพ่งได้เท่านั้นละ่ะแต่บัดเขาไปเพิ่นกับบ่ได้ไปน้าเขาเพิ่นไปเขากับบ่ได้ไปน้าเพิ่นกับข้นว่าเขามีความ เข้าใจแล้วกะอยากให้เปลี่ยนแปลงสติที่เขามีนี่แหละมีแล้วซุมื้อนี่แหละแต่มันกระโบได้เหนือจากของขาเจ้า ค, คือคือพันเวานั่นละ่ะคือหลวงพ่อพันในเว้านั่นละ่ะมันบบแตกต่างกับสัตว์ยรสารที่มันจะกิดใจขน้อยมาอยู่ตลอดบัดเขามาพัฒนาแล้วเขาจำคด้หู้ว่าโอ้มันวามจริงที่พันเว้านี่เ ม, มนแท้เขาบได้แตกต่าง กักสัตย์เดี่ยรสานเลยสติที่เขามีนี่หายูหากินคือข้าเจ้าเออเจ็บป่วยมากก็หายุบหายยาปินป่วเจ้าของหาเงินหาทองหาทีอยู่อาศัยเสพกามคือกันจนเมืข้าเจ้าคือเฮาเฮาคือข้าเจ้าแต่เขามีโอกาสมีแชนมีอ่ามีคุณธรรมที่จะเหตได้พัฒนาตัวนี้ให้เปลี่ยนแปลงจากข้าเจ้าได้ แมนอิลีท no ่าเฮาโบเห็ดโบเปลี่ยนโบแปลงเฮากับยูวจังสละคือเขาเจ้านั่นแหละขน้อยล่ะมิจใจคิดแบบนี้บาตรนี่อ๋อมันเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ท่าเฮาโบพัฒนาเนี่เฮากับโบยบบแตกต่างขึ้นกันกับขาเจ้าได้บาตนี่มิจใจตัวนี้น่ะบบให้มันเป็นบาตรนี่เออเฮามาแต่ไมกลามาแต่เฮาเป็นอพิญโญปลอดภัยมาหอบลูกมาครอบครัวใหญ่ได้ครอบครัวหกคนขน้อยน่ะ รวบรวมเงินที่เขามีได้จากศูนย์น้องขายแลกได้เงินโดราได้แค่โดราเดียวคว้มถูกของพวกขาน้อยมาเด้มาหอดลอตเอนเจริทลูกอยากกินน้ำออรเรนจ์จูสบางทว่าออรเรนจ์จูสออกเท น, าน้ามันปั่นอยู่ในอันเอแอร์พอร์ตนะอยากกินพอสิไปซื้อถือเงินที่เขารวบรวมเงินบาทนี่อย่างเขาแลกเขาสิมาเมกาละได้เงินดอลล์หนึ่งไปถามเขาไปซีไปถามเว้ากระซี่โบซีเบได้เเเขาา า, บบ า, ขาจว่าอาาอนคก เอาไปโซ่ให้ขาเจ้าเบิงเข้าเจ้าวโนวันโมคู่เด้อ เ, เขาก็ยังไม่เข้าใจเขายังไปซ่อมมาให้เบิงลูกอยา ก, กินไอตนลูกลูกสี่คนโบมีปัญญาเลยความถูกของพวกข้น้อยพ่อได้ไปเอาวันได้เอาจอกไปบีบเอาน้ำกอกมาให้ลูกกินเงินด่อนนั้นจกจะถงไว้เป็นขวนอยู่เท่าซืมือนี้แต่เขาพัฒนาตัวของเขามาได้ พวกขน้อยมีจิตใจแบบนี้แต่เขาบุหูว่าเขาปฏิบัติ ธ, ธรรมได้มักแปะที่ขน้อยเอามาเห็ดอยู่หันแต่บุหูตอนนั้นหู้จักว่ามีจิตมีใจว่าจะต้องเอาชีวิตของเขาขึ้นมาให้ได้จากความทุกข์ที่เขามีมาเป็นอภัยลบภัยมาบ้านเกิดเมืองนอนบุหมีละแผ่นดินสิอยู่บุหมีละลูกตั้งใจเฮียนยาเป็นคนที่ว่าขีา้ขานเฮียนิทุกเหตุ ก, การณ์ทุกข์คือพอคือแมยเขาเอยบอกลูกรกระซาทุวยบุญกระจบุตรทุกคน ก็มีครอบมีครัวมืดแล้วกันยังอยู่จะอยู่สองตายายแต่ก็บืบตัวเองเอาชีวิตของตัวเองมาแล้วขน้อยกับปลอประานาตัวเองไว้เลยว่าตาบใดขน้อยมีเหือนแล้วก็เพอออกได้ขน้อยขอออกกาสิมาปฏิบัติธรรมก็ได้ควมมุ่ง ม, มา่ปรารถนาขน้อยออลิซาถูกอายุสี่สิแปดปีผัวจัดการให้เรียบร้อยขนไอยขอออกมากระมาอยู่จังซี่เลยก็เอาพอเพียงจิตใจของขน้อยก็เอาแค่นั้นโบได้หังโบได้มีและบุมมี่ยังมีแต่ทอว่าเหงอนบุมมี่นี่แต่กับพ่อให้ ใผัวเลี้ยงว่าจริญะหลวง พ, อพ่อพ่นกระพศิบินธบาตเลี้ยงไปครอบเพลินบวชหลวงพ่อถ้าขน้อยศิลางานมาหลวงพ่อสิว่าจังใดขน้อยมีประจำเดือนเดือนหนึ่งห้าสิบที่ว่าถวายวัดป่าประจำเดือนขะน้อยลางานขน้อยสิของดตัวนี้ได้บ่หลวงพ่อว่าโอ้ยโมทนาสาธุเมตพระสงฆ์ของเจ้าก็ยังเหตุบ่ได้หลวงพ่อศิบินธบาตเลี้ยงเอกะขันว่ามีจิตใจศิสนาใจตัวเองได้จังสันโยมือสาธุกรรมครอบผัว ขนาดไปครอบพอได้พอบุญธรรมพอวันลูกเอ้ยธรรมะก็คือหน้าทีหน้าทีคือธรรมะลูกบ่ต้องเฮ็ดเจ้าออกมาแล้วอินสุลังเจ้าบูมีเจ้าเสร็จแบบไดลูกเจ้าเจ็บเป็นเดืุนลูกเจ้าเสียเอาเจ้าเข่าห้องหมอลูกเจ้าเสีไปให้เจ้าเสียเห็ดกล่ำเห็ดเว้ให้ลูกสิยติดหนี้ติดสินเขาจ้าบูมีสั่งบบได้ลูกทํางานตามหน้าทีนั่ะลูกดีแล้วนะธรรมะคือหน้าทีโอยปิดใจพอนาะเป็นพระพอยังห้ามเขาจังสั้น โบได้ต้องมาถามผัวเขามิตะผัวอะรเมียเนี่ยถามผัวผัวว่าโอเคฮะนี่ถ้าเจ้าโบเอาเพ็ดเอาพลอยคือเจ้าเคยซื้อเจ้าโบเอาสินเอาเสือ้อคือเจ้าเคยเห็นงานพาดีใดเจ้าบบเปลี่ยนสุดใหม่สุดใหม่โอเคคอยเลี้ยงเจ้าได้กล้าตีนผัวเลยโอเคคอยขอกล้าเจ้าเลี้ยงคอยด้ยคอยโเอาอย่างสิ่งเหล่านั้นผัวก็เลยตกลงว่าให้ออกได้กลับไปครอบหลวงพอ่อคนสิบินธบาตเลี้ยงกัแต่เมื่อนั้นจนเท่ามือนี้ขาเอยนะกันน้ำก้นพนชุนสิแหละกัมีโบได้มีอย่าง มันพอมันมันดีใจมันสนะใจตัวเองได้พอจื้อคำหลวงพอวะชิตังเมสิตังเมสนะใจเขาได้แล้วสนะใจย่นสนะคว้มอยากของเขาข้าวไร่คว้มโลภของขน้าวไ่บุมีไผ่ทอสุดดีบ้านนางเบมีผู้ที่ขายเครื่องเป็นหลักฐานพิญานขน้าวซื้อนำลาวเรามาจากเมืองลาวแต่ละครั้งนี่เจ็ดตัวแปดตมีเท่าไหร่โมดเดียวกันสีเดียวกัเอาจนมดคว้มอยากของเขาน่ะเป็นยังสั้นอิลี แต่โบมีอย่างเปลี่ยนแปลงขน้อยได้ขน้อยมั่นใจว่าข้มหูซึกงโตตัวเดียวนี้ที่ข้าน้อยเข้าไปปฏิบัติสามมือมันเปลี่ยนแปลงขน้อยได้แต่ขน้อยหันเฮ็ดอิลิทำอิลิเฮ็ดเข็มอิลิเปลี่ยนแปลงมาได้อิลีเก็บอารมณ์เข็มตลอดมาเลยอยู่ในบ้านแต่ขั้นเข้าใจแล้วขน้อยอยากให้เก็บอารมณ์หูจักวิธีนี้แหละอยากให้เก็บอารมณ์ในขั้นระดับผู้ทีิเขาเข้าใจมาแล้วถ้าโบเก็บอารมณ์ถ้าโบปฏิบัติต่ตอเนื่องโบใกล้ศิทธุบาอาจารย์ ก็มีทางที่จะเสื่อมอันนี้ขาเยขอฝากไว้กร ะ, ะยาณามิถุเฮาผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วควมมู้ที่เขาเข้าใจว่าได้ว่าเทศได้สอนได้นี่กับการกระทําต่างกันบุคือกันเฮาต้องอยากให้มันแน่นกว่านั้นอีกตอกตะปูลงเขาให้มันจับให้เห็นรูปเห็นน้ำอิลิให้ชัดให้เจนให้มันเย็นให้มันนิ่งอิลิจะส่วยเขาได้ได้หลาย แค่เข้าใจนั่นสวยเขาได้อยู่ระดับหนึ่งแต่กะบุมมี่อย่างเนาะขนั่นก็ขอฝากขอฟังเมื่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือขั้นน้อยเว้ามาเนี่ยแหละคือประสบการณ์แล้วก็เว้วลายอัานลายแนวให้ฟังมันกะบุมี่อย่างสิไปนําเข้าได้ลูกก็ไปส่งเขาได้แค่แต่กองโฟนผัว ก, ก็ส่งเขาได้แต่แค่กองโฟนขมีแต่ตัวสติสมัธิปัญญาอันนี้แหละสิไปดำเขาคือเป็นศัพท์ อริยศัพท์ของเขาอิลิสิไปัยนำเขาได้เพราะว่าสิปฏิบัติยังได้มากระตามสิบบวชขาวนุ่งขาวก็ได้หรือว่าสิเป็นอันใดมักกระยาปฏิบัติมาเทิดใดก็ตามทาวาละสุดท้ายของเขายังตายบุมิสติแล้วก็บบุมิประโยชน์ให้แกเขาเลยยังตายแบบทรมานนะนะบูฮู้จักรเรื่องอาการกายอาการใจนี่บูฮู้จักของรูปของน้นํานี่แล้วก็บบูฮู้จักรเรื่องการ ชิบขับประคองเอาสติของเขานี่ไปได้วันวเวลาสุดท้ายของเขานั้นโบมีความหมายเลยเขาเลยบอกไว้รดเป็นอย่างซี่ออริถ้าจิตใจเขาโบเปียนโบแฝงบบเข้มโบแข็งกะสิปฏิบัติอย่างไดมากับไปยังสั้นคือเกา่าจิตเขายังไปข่องไปติดอยู่อันใดแล้วกะติดน้าลูกกะสิไปเกิอดอยู่น้าลูกหันติดน้ำรัตาว์ว่าสิ่งที่เขาหักนี่กะสิไปยุหันทรัพย์สินสมบัติกะสิไปยุหันถ้าจิตใจตัวนี้โบเข้มโบแข็ง กะเท่านี้ละเนาะขานเลยกสิขอฝากขอฟังเมื่อสุภสกคนเดอ้อายน้องพอ่อเมทุกผู้ทุกคนเขาได้มาพบเพื่อแล้วครูบาอาจารย์เ<ม>พิ่นมามาบอกกาวเฮาเนะในมาแนะนําบอกเข า, าแล้วยากได้ก่อนจะได้พบพ่อครูบาอาจารย์ที่จะสี่ทางออกบอกทางถึกให้เขาพ้นทุกพ้นยากเลยนะส่วนหลายเขาก็มีตั้งแต่หู้เห็นเข้าใจแต่ hit แนวอื่นว่าจากเทีนซะแต่เรื่องที่จะมาบอก ให้ทางให้เขาหมดทุกข์ดยากคือว่าจ้าสิเนี่มันกลับเป็นไปได้ยากขั้นเขาได้พบได้พอแล้วกายน้อมเอาคําเพนได้เบาได้ว่าได้บอกได้สอนเขาแล้วเอาไปพิจพิจารณาเบิงกระบอกให้เสื้อแล้วก็โบให้แล้วกระบอกให้ปฏิเสธก็ให้เอาไปรองเบิงสกอนถาว่ามันเกิดผลได้เป็นไปได้เขาก็สีได้หู้คําตอบจากเขาเองคือขน้อยได้คําตอบขน้อยนี่แหละขน้อยกรบอได้เสื้อผนดข้าน้อยนําเข้าไปศึกษาขน้อยได้คําตอบแล้วขน้อยกระ